บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสืบอต่ตอไปเราได้พูดถึงปัญหาภายในใจที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าประการโดยลำดับนิวรณ์นั้นเป็นกิเลสที่จะต้องสามารถขจัดได้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน ที่เรียกว่าจารสมาธิเมื่อจิตใจของบุคคลเป็นสมาธิแล้วก็จะสงบความคิดประเภทที่เป็นนิวรณ์ลงไปได้แต่การจะสงบได้นานนั้นสมาธิจะต้องขึ้นไปจนถึงเป็นชานก็จะทำหน้าที่สงบกิเลสประเภทนิวรที่เกิดขึ้นคลุ่มหลุมใจของบุคคลให้สงบไป แต่เป็นความสงบตราบเท่าที่จานยังไม่เสื่อมซึ่งแสดงว่าถ้าฌานเสื่อมนิวรณนก็เกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติในชั้นนี้ท่านเรียกว่ายัางกระเริ่อมได้ยังเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเมื่อกล่าวถึงขั้นตอนของการปฏิบัติบุคคลก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ไ ป, ปเพื่อเสริมให้เกิดความมั่นคงภายในใจของบุคคลมากยิ่งขึ้น เราเคยเจอองค์ธรรมอยู่เสมอที่พระเจ้าทรงจับแนกแสดงกลุ่มของกุศลกลุ่มข้งกุศลและกลุ่มของสิ่งที่เป็นกลางไว้โดยนิยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของนิวรณเป็นกลุ่มของกิเลสซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอาวิชชาเป็นรากง้าของสรรพกิเลส ท, ทั้งปวง วันนี้ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นอาการทางจิตเราที่สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจำวันลักษณ ะ, ละนหนึ่งจะไขวคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในสิ่งที่ใจตนกําหนดว่าหน้าใคร่หนะ้าปรารถนาหนบกพอใจก็จะมีการไขวคว้าปรารถนาเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาไวไ้ปในครอบครองตัวเองกิเลสประเภทนี้ก็มีชื่อเรียก ในหลายอย่างที่มากที่สุดก็คือเรียกว่าโลภะกับเรียกว่าราคะเป็นการมุ่งปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองมุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองจะถามว่าเมื่อไรจึงจะเต็มจะอิ่มจะพอสะจุดมันก็ตอบไม่ได้เพราะภายในใจที่มีความปรารถนานั้นจะไม่รู้จักคำว่าเต็มคําว่าอิ่มคำว่าพอ อย่างที่ท่านแสดงว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหานาีก็แสดงว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ำแม้จะใหญ่กว้างยาวลึกยังไงก็ตาม ถ, าถึงจุดหนึ่งมันก็เต็มได้ล้นฝั่งได้แต่าจิตใจของบุคคลที่มีแรงปรารถนาแรงของโลภะแรงราคะอยู่ ไม่อาจที่จะตอบสนองให้เต็มให้อิ่มไม่พอได้ลักษณะของจิตประเภทนี้มันจะมีปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องไปสามจังหวะจังหวะแรกก็คือก่อให้เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่สืบต่อไปจากสิ่งที่เราได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็นี้เป็นสังเกตว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้แล้วก็ได้ที่เราอยากเป็นแล้วก็เป็น ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ใจจะค่อยคว้าปรารถนาเรื่อยๆไปจนปรารถนาพบชาติที่ประนิตแล้วก็ปรารถนาค่อยคว้าขึ้นไปโดยลำดับแม้ในตัวพบชาติเองคนสายสายนี้จึงไม่มีคำว่าเต็มกับมาอิ่มคำวาพ อ, อครับ แล้วจิตใจจะมีความกำนัดเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินในรูปในสิยงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่และชนิดแล้วก็ในความหลากหลายหลากหลายทั้งโดยสีโดยกลิ่นโดยรูปโดยรสต่างๆอีกเป็นอันมากเมื่อย่อยออกไปจากพวกวัตถุกลางทั้งหลายอย่างย่อยไปอีกมากที่ต้องใช้ก็มาหยาบกลางประณีตเร็ว หรือว่าดีใกล้หรือว่าไกลอยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตเป็นตน้นัรษณะใจก็จะไขว่คว้าไปอย่างนั้นและจะเพลิ่นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตใจจะมีความกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะผ่อนคลายตราบเท่าที่กิเลสเหล่า น, น, นี้ยังมีอยู่ภายในใจ จนบางครั้งได้ทรงแสดงเป็นอุปมาว่าแม้จะมีภูเขาเป็นทองล้วนๆหรือมีฝนที่เป็นกาอภรณ์ตกลงมาก็ไม่อาจที่ยังความปรารถนาของบุคคลให้เต็มให้อิ่มไม่พอลงไปได้กิเลสประเภทนี้จึงแสดงอาการออกมาอีกเป็นนันมากบางอย่างเราจะเห็นอาการมันซ้อนกันสองอย่าง กิเลสประเภทริษยาเห็นการได้ดีมีความสุขมีความเจริญด้วยลาภยศสนเสริมสุขของบุคคลอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้จะเกิดความคับค้องใจเกิดความคับแค็นใจท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าลักษณะของริษยาเป็นกิเลสผสมระหว่างโลภกับโทสะ ถึงแน่นอนว่ามีโมหะคือความหลงเจือโหยเราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีใครริษยาคนซึ่งมีฐานะน้อยกว่าตนไม่มีใครริษยาคนขอทานคนโรคเรื้อนคนที่เป็นอาชญากรคนที่ติดคุกอะไรจะไม่มีใครริษยาท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภในสถานะนั้นๆเราจะริษยาแก่คนที่มีความเจริญก้าวหน้า ป, ประสบความสําเป็จสถานทําไมจึงริษยาก็ตอบว่าเพราะใจเราอยากได้สถานะนั้นเสเองเมื่อไม่ได้มันก็เกิดความไม่พอใจแต่ความไม่พอใจที่สืบเนื่องมาจากความพอใจและไม่ได้ตามที่พอใจมันก็กลายเป็นอาการที่เรีรยกว่าลิษยายอาการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆความขัดแย้งกันต่างๆในโลก ที่พระเจ้าทรงสดแสดงสรุปเอาไว้เรียกว่าวิวาทมูลคือเหตุให้คนทะเลาะวิวาทกันมีอยู่หกประการกันกาแรกคือโกธโน ค, ความโกรธอุปนาฮีคือความผูกโกรธเอาไว้มักขีคือการดุมินปราสีคือการแข่งดีการถือตัว อิสุกีคือความเสน่ห์อิสุกีคือความริษยา ม, มัชรีคือความสน่นี่คือเป็นเหตุที่นำไปสู่การแตกแยกและการะาทะเลาะวิวาทเราเห็นว่าแต่ละตัวนั้นมีกิเลสผสมอยู่ทั้งหมดความโกรธก็มีโมหะผสมความผูกโกรธก็มีโมหะผสมอยู่การแข่งดีก็มีโมหะผสมอยู่ แล้วก็ตัวเองก็อยากได้ในสถานะเขาบุคคลเหล่านั้นแสดงว่าเป็นอาการของโลภะหรือความริษยาหรือความตณีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะกิเลสมันจึงมีการเรียกชื่อออกไปแตกต่างกันเปน็นนันมากจริงๆแล้วจะไม่อ่ดไปจากเรื่องสภาพจิตที่มีการไข่้ยฟ้าในแนวให้เกิดโลภะนังกล่า แต่ความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งผมสังเกตว่าเมื่อเกิดขึ้นไปใน ใ, นใจเราก็เกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับนับถือคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อต้องเกี่ยวข้องก็มีการปฏิเสธไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นสิ่งนั้นๆในแง่ของตัณหามันก็เป็นอาการของวิภาวะตัณหาซึ่งอันที่จริงวิวตัณหาม่ก็คือโทสะ คือความไม่พอใจนั่นเองแต่วันนี้ น, นั้รนส่งใช้คำว่าพยาบาทพยาบาทนั้นเป็นอาการของความโกรธแล้วก็มีการผูกโกรธเผยแสดงว่าเหตุที่เกิดความโกรธนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและที่จริงอาจจะเป็นความโกรธที่ถูกยัดเยียดให้จากบคนลอื่นก็ได้เช่นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันก็มา อกล่าวให้ลูกก็เกิดไม่พอใจในสตูของตนลูกก็พลอยโกรธแล้วก็พลอยผูกโกรธตามไปแสดง ว, ว่าความโกรธนั้นขน า, น, า น, นี้เกิดขึ้นจากการยัดเยียดให้ของบุคคลหน่งบางทีอาจจะสืบสาวไปไกลจนเราในยุคสมัยนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรรับ การที่เราเกิดไม่พอใจไม่ชอบใจคนบางชาติบางเผ่าซึ่งเคยเป็นศัตรูกับเรามาในอดีตการเป็นพันๆปีมาแล้วนี้แสดงเห็นว่าอาการของโกรธที่จริงมันก็เกิดมานานแล้วแล้วก็หายแล้วคนรุ่นนั้นที่จริงก็กตายกันไปไม่รู้สึ ก, กี่รุ่นแล้วแต่ว่าใจยังไปยึดจะไม่ยึดติดด้วยอานาจของความหล ด้วยอำนาจของความโกรธและด้วยอำนาจของความหลงเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เราพยาบาทนั้นที่จริงก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแนละ้วแล้วเรามาประรบถึงลูกหลานของเขาในปัจจุบันนั้นที่จริงเขาไม่ได้ทาการมองในแง่ของกรรมเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับไปใครดีคนนั้นก็ดีใครไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดี เราจะไม่ชอบพ่อแม่เขาที่ไม่ดีแต่ลูกเขาดีเราก็ให้การยกย่องสนับสนุนลูกเขาเป็นต้นนั้นแสดงเห็นว่าเป็นอาการของธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็แยกแยะอะไรได้ชัดเจนแต่พอถึงกิเลสก่แยกไม่ออกอาการกิเลสถึงมันเกิดมาจากโมหะคือความหลมหรือความมืดทังสาต้นต่างหลายจะเห็นได้อย่างชัดเจนมาก ว่าในท่ามกลางความมืดท้ ม, มืดมากเนี่ยจะไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะย่างยิ่งคือประสาทสัมผัสทางตางอาจจะได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงอะไรแล้วอาจจะจับต้องรู้ว่าเป็นอะไรเป็นต้นแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างนี้จากจากสุประสาทที่จะเห็นความจริงซึ่งเราสามารถมองเห็นได้แต่แสงสว่างแต่พอดีมันไม่มีแสงสว่างจิ่นั้นเราก็เห็นไม่ได้ รักนะตรงนี้ที่ท่านเรียกว่าอาวิชชาหรือว่ารองลงมาหน่อยคือว่าความมืดไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันท่านจึงเรียกไปว่าโม oh หะคือความเคลาหรือความหลงหรือความไม่รู้เห็นตามความจรงิง ที่นี้ลักษณะของนิวร์ที่ท่านแสดงนั้นมันเป็นอาการคล้ายๆกับทากลางบรรยากาศที่กำมุกกมวัวคือไม่ถึงกับไม่เห็นแต่เห็นอะไรอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่ามองไม่ตลอดไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้แจ่มแจ้งได้ควอมแท้ตามความเป็นจริงได้เพราะเป็นฉะนั้นความคิดก็ฟุ้งซ่าน ลั่นไปเนื่องต่างๆคิดนั้นอาจจะเป็นสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งโน้อนอาจจะเป็นสิ่งนั้นตํานองใกล้ๆกับว่าเรามองสัตว์ที่ลั่นไปที่มืดพิคิดไปได้ต่างหลายเรื่องเพราะจริงเราก็ามองไม่ชัดเพียงแต่เรารู้ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งกี่ขาก็ไม่รู้เลยอาจจะสองขาหรือสีขาแต่สัตว์จะนิดนั้นบางทีมันก็คล้ายๆกันมากในจุดเนี้ยมันจะเป็นความคิด ที่ฟุ้งสั้นไปหลายเรื่องเกาะสันนิษฐานเป็นถัดนั้นถัดนี้ถัดโน้นก็ว่ากันไปก็อาจจะเถียงกันระหว่างคนที่เห็นในที่มืดด้วยกันแต่ที่จริงแล้วมันก็หาข้ อ, อยุติไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในที่มืด อ, อาการเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเป็นนิวรณ์อีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าวิจิกิจชาเป็นอาการเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ ลักษณะของวิจิตรฉาั้นคือถ้าเรามองในแง่ของกระบวนการธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจขอให้ท่านสายชนทั้งหลายลองสังเกตว่าธรรมะทุกอย่างทั้งที่เป็นกุศลหรือกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยคือเราจะเห็นเขาสี่จุดด้วยกันจุดแรกคือลักษณะของเขาเมื่อเขาปรากฏลักษณะเขาจะเป็นยังไง ก็คล้ายๆก็ดูอาการของโรคที่มันปรากฏอาการหวัดที่มันปรากฏอาการปวดท้องที่มันปรากฏอาการปวดหัวที่มันปรากฏเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วลักษณะมันเป็นยังไงอยอะหนึ่งคือผลกระทบที่มาจากการปรากฏของสิ่งเหลนั้นที่จะเรียกว่ารถพอก็เกิดมาแล้วก็จะทำหน้าที่อะไรคล้ายๆกับไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทาหน้าที่ ให้ความร้อนแล้วก็ขจัดความมืดเย็นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ขจัดความร้อนแล้วก็ให้ความเย็นอาหารมืรับประทานกข้าไปก็มีหน้าที่ ข, ขจัดความหิวแล้วก็ให้มีริยวแรงมีกําลังที่จะปฏิบัติภา ร, รกิจการงานได้เป็นตน้นเพราะแนวการศึกษาโดยละเอียดเนี่ยท่านท่านจะแยกออกเป็นเป็นสี่จุดด้วยกันคือหนึ่งให้เรารู้จักลักษณะของเขาว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไง แล้วก็รู้จักกิตคือหน้าที่ของเขาพวามที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีอะจิตคือหน้าที่เช่นเช่นสมมติเราความแก่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลักษณะชราคร่ำ ค, ำคำร่าจำรุดสุดโสมจนถึงเปื่ยหน้าภูพังไปในที่สุดแต่พอเปื่ยหน้าภูพังท่านไม่ได้ความแก่ท่านไม่ได้ความตายสแสดงว่าอาการเหล่านี้เวลาแกเกิดขึ้นแก่ใครแกก็ เ, เป็นอย่างนี้ทุกทีอะ ยังเป็นจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก็ไม่รู้ของเราอาจจะเรียกว่าเก่าคนอาจจะเรียกว่าแก่สัตว์อาจจะเรียกว่าแก่แล้วแต่อการที่ปรากฏนั้นจะเหมือนกันทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่เราสัมผัสด้วยใจของ เ, ร า, เราะการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะที่จริงแล้วเนี่ยเราจะดูที่ใจของเราเป็นหลักไม่ได้ไปดูที่คนอื่น ดูว่าใจมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงผลที่เราสัมผัสได้ทางใจว่าหลังจากกิเลส ต, ตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากธรรมะต่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก า, ารเป็นยังไงแล้วอะไรเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร้าให้มันเกิดขึ้นอาการทั้งหมดที่จริงเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะตรวจสอบดูด้วยด้วยตัวเอง พิจารณาเองก็แสดงถึงลักษณะถึงหน้าที่ถึงผลที่เกิดขึ้นกับจิตถึงเหตุตัวกระต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตทั้งแต่และเรื่องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาที่สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นภายในใจของใครก็ตามเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นก็อย่างนั้นทุกทีวิจิกิจชาก็จะมีลักษณะอย่างกัน ว่พาพระเจ้าจะอุปมาให้ดูลักษณะของจิตที่เป็นวิจิกิจฉานั้นจะเป็นเหมือนกับน้ำที่มันเจอือด้วยโครตตุมท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าน้ำที่เจอือด้วยโครตตมนั้นมันไม่ใสเรามองลงไปในน้านั้นมันก็เห็นเงาแต่คุ้มแต่คุ้มมันก็ดูแล้วก็ไม่ชัดไม่สวยเลย เพราะสิ่งทั้งหลายอะไรก็ตามที่เรายังมีความเครียดแรงสงสัยอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่ประจักษ์แจ้งแก่ใจกองเราคือหมายความว่าจะทิ้งก็ไม่เชิงนะฮะจะเก็บไว้ก็ไม่ใช่จะรับเอาก็ไม่เชิงแต่จะปฏิเสธก็ไม่ใช่เป็นอาการชะงักงนันซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล บางทีทรงสอนดูว่ามันเหมือนกับภาพมายาซึ่งมันดูคล้ายๆจริงเช่นเราไปดูมายากลต่างๆที่จริงมายากลทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเป็นกุงแต่งเอาทั้งนั้นแต่ดูไปดูมามันจักจะจริงคือคล้ายๆจะจริงทําไมจึงไปคิดว่าจริงเพราะเราไม่รู้ถึงกระบวนการในการแสดงเขา จะได้กลุ่มพวกที่เขาแสดงด้วยกันเขาก็รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรทําไมจึงเขารู้ว่ามันไม่จริงเพราะเขาเกิดความรู้ว่าไอ้สิ่งที่แสดงตอนนั้นมันเป็นเพียงมายาตอนนั้นเองอย่างวิธีการต่างๆแม้แต่รายการทั้งหลายเช่นรายการทางโทรทัศน์เป็นต้นเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปในห้องส่งแล้วนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนโดยสิ่งที่ออกมาสวยงามจริงๆไม่ได้เรื่องอะไรเลย มันเป็นฉากธรรมดาเอาไม้มาแปะๆข้าเอาสีมาโปกๆข้ามาตีบ้านกระเรือหาก็มีบันไดสองสาขั้นแต่นั้นเองก็วางไว้เป็นฉากแล้วก็กลายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวมีการปฏิติดประต่อกันโดยเทคนิคในการประสานงานในการกำกับบทกำกับจากกำกับพิธีกำกับรายการกับเรื่องของบุคคลนั้นเพราะสิ่งสิ่งทั้งหลายถ้าหากว่า เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจใคล้ายๆกับมองภาพในที่มืดเนี่ยยังไงยังไงมันก็เกิดความเครียดแกรงสงสัยบางครั้งก็ทรงสอนให้ดูคล้ายๆกับเป็นทางสองแพ่งบางทีตํานวนบาลีตรงใช้คําว่าทางสอครงซึ่งหมายความว่าทางที่เสี่ยงอันตรายอะไรก็ตามที่เรายังไม่แน่ใจยังเครียดแกร่งสงสัยอยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็คืนทําอะไรลงไป มันเสียงปิดเสียงถูกอยู่สูงคล้ายๆกับทางที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เราไม่รู้เห็นดังความจริงแล้วก็ไปในทางเหล่านั้นโอกาสที่จะตกเป็นอาหารของเสือมันก็เป็นไปได้ง่ายหรือว่าทางสองแพร่งที่เราเดินไปมันตัดสินใจไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันทางซ้ายดีทางขวาดีไปไม่ได้มันก็ยืนงงกันเอง เพาลักษณะจิตที่มีความเครื่อแงแปรสงสัยจึงเป็นอาการของโมงหะที่ชัดเจนมันลักษณะคล้ายๆกับอากาศมคํามุขมัวคือความมืดมันไม่ถึงมืดเต็มถื่อแต่ว่าเป็นความมืดคํามุขมัวในท่ามกลางความมืดเหล่านี้พึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีเราก็อาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นเป็นช่วยจูงเป็นช่วยดึงเป็นช่วยพาไปแล้วดูให้ชัดเจนให้คนตาบอด คนตาบอดเนี่ยเ้าก็สามารถไปไหนมาไหนโดยใช้คนตา ด, ดีก็จูงได้แต่ทีนี้บางทีเนี่ยในธรรมการอากาศขมุขมำวัวนั่นเองเราก็มองไม่ค่อยชัดแต่ก็มีคนที่ก็ตา ด, ดีเขามองได้ชัดกว่าเขาก็จูงเราได้เหมือนกันสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้โดยสวดดีเช่นเดียวกันถ้ า, ากองมันสว่างเพิ่มขึ้น เราก็มองเห็นสถานที่ต่างๆในชัดเจนก็เลือกเดินเลือกเลี้ยวเ ล, กกยเลือก้าวย่างหรือเลือกเหยียบไปตามเหมาะตามควรเราก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เพราะแนวของวิจิกิจขาท่านจึงสอในให้ศึกษาถึงที่มาของสิ่งเหล่านั้นพระวิจิกิจขาไม่ใช่มันเกิดทุกเรื่องคือบางเรื่องมันไม่ได้เกิดมันเกิดความรู้หรือเกิดความยินดียินร้ายไปแล้ว เพราะในกรณีใดที่เกิดวิจิกิจฉาก็ต้องสอนศึกษาว่าวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรข้อนี้พึงเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับใจเราตลอดกิเลสมันเป็นเพียงเจตสิกเป็นอาันรทุกกะที่จรมาทันนั้นแปลว่าอาการทุกกะคือใจเราหรือเรือนใจของเรามันก็มีอาันรทุกกะดีกับไม่ดีก็กลางๆกง็ามาทั้งสองฝ่าย ก็แสดงว่าในขนาดใดที่อ า, าการตัวกะดีๆอยู่อ า, าการตัวกะไม่ดีก็ไม่มาขณะใดที่อ า, าการตัวกะไม่ดีมีอยู่มีพวกมากมีกำลังมากอ า, าการตัวกะที่ดีๆก็ก็ไม่มาคือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงั้นลองสังเกตว่าเช่นยามใดที่เรามีโลภจัดมีราคะจัดมีโทสะจัดมีริษยาจัดมีโมหะจัดขึ้นมา ยามนั้นพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอธิบายธรรมะชี้แจงอธิบายเหตุผลให้อะไรก็ตามจะมองคนอื่นเป็นสตูหมดหือเป็นผูเน้เป็นผู้ขัดขวางไม่ให้ตนได้ในสิ่งที่ตนต้องการแต่เรื่องนั้นแหละสภาพจิตมันเปลี่ยนแปลงไปทำนองคล้ายๆก็ออกไปสู่ที่แสงสว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้น เราพูดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจเหตุผลต่างๆแต่สามารถจะลดละโทสะโลภะโทสะนิสยาอาฆาตต่างๆลงไปได้เพราะอาการทางจิตก็เหมือนกับการทางโลกของวัตถุปัจมืดมากแล้วก็มีปัญหาทมืดน้อยหนย่ปัญหาว่า ก, ก็น้อยลงไปแต่คำว่กมวุมัวมันก็พอปไปก็มันได้แต่ก็ไม่ค่อยตลอดเราฟังมันก็มีปัญหาอยู่จ้ะ พิจิกิจาจึงเกิดขึ้นโดยตรงจริงๆเกิดขึ้นจากอายุนิสุมนัสิการคือการขาดข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นไม่มีข้อมูลมากพอต่อการจะวินิจฉัยเราเองก็ไม่ได้ใช้เหตุผลใช้อบายวิธีในการพิจารณาสิ่งนั้นโดยเหตุโดยผลที่ถูกต้องซึ่งบางเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเปรต เห็นว่าสิ่งที่จะต้องดูด้วยตาแต่ก็พยายามใช้หูฟังเอาสิ่งที่พยายามจะสูดดมด้วยจมูกแต่ว่าใช้ลิ้นแตะเอาอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะการรับรู้ของประสาทสัมผัสแต่ละอย่างนั้นมันก็มีสถานะมีศักยภาพในตัวของมันเองในจุดที่เขารับผิดชอบไม่ใช่ว่าทําได้ทุกเรื่องแตทุกจุดบางทีนั้นเป็นเรื่องข้อมูลไม่มากพอ ไม่มากพอต่อการวินิจฉัยแจ้งหรือบางครั้งบางคราวก็ถูกดึงประเด็นนี้หลบประเด็นเลี่ยกประเด็นออกไปขอให้เกิดเป็นความสับสนพอสับสนมันก็สงสัยมากกิ้งเข็นนั่นแนววิจิกิจฉามันจึงมีลักษณะเป็นภาพมายาเป็นทางธุรกันดารเป็นทางสามแพร่งเป็นทางเสือโคร่งเหมือนกับน้ําที่ เือด้วยผลตร่อย่างที่ทรงประมาะแสดงเอาไว้ตราใดทยังมีวิจิกิจฉาอยู่จิตมันเดินไม่ได้ไม่ต้องอะไรนะแม้แต่การจะให้ทานกัรจะรักษาศีลถ้าเรายัางเครียดแครงสงสัยในผลทานผลศีลอยู่ไม่แน่ใจในผลทานผลศีลกั้นกันไม่จากมันเกิดขึ้นไม่ได้การสมาทานศีลก็เกิดขึ้นไม่ได้ดไไดอย่างน้อยในขณะที่เราอาราธนาศีล หรือว่าในขณะที่เจริญกรรมฐานนั้นจะต้องสามารถบรรเทาความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้ไปย่างที่บอกแล้วว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดความเครือบแคลงสงสัยบางระดับเราอาศัยศรัทธาได้ก็คล้ายๆคนมาจูงเราไปาจากที่มืดก็มีตาเราก็ตาไม่ดีพอจูงเราไปเราก็ไปถูกทางได้เหมือนกันอาศัยคนอื่นนันก็คือแนวศรัทธาเป็นตัวนํา ถึงกรณีท่านศาสดาทั้งหลายจะเห็นได้ว่าระดับศีลธรรมจัญญานั้นพื้นฐานทางศรัทธาของพื้นฐานทางปัญญาคนมีไม่มากธรรมะจึงจะหนักไปในด้านการใช้ศรัทธาคือใช้การจูงของบุคคลอื่นออกไปแต่ประภูมิธ ร, รมสติปัญญาของบุคคลสูงขึ้นพระเจ้าก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเหมือนกระแสงสว่างคือจะเน้นที่สติสมัญญะ ที่บุคคลจะต้องใช้พิจารณาสดสองมองเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นแล้วยามประพฤติปฏิบัติไปตามหมกควรแก่กรณีของธรรมะเหล่านั้นคือส่วนใดที่เป็นบาปเป็นกุศลควรแกการงดเว้นก็ใช้ความเพียรพยายามงดเว้นที่เราจะสังเกตได้ว่าตัวความเพียร น, นั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากการมองเห็นคุณค่าของธรรมะ เพรกระบวนการขอเหตุของผลว่าไอ้ผลทั้งหลายนั้นมันเกิดมาจากเหตุและเหตุนั้นมันก็อยู่เฉยเไม่ได้มันต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นบุคคลต้องการผลยังไงก็ตามก็ต้องใช้ความเพียรพยายามประกอบเหตุเพื่อเกิดผลหลดนั้นธรรมะที่เป็นกุศลในกลุ่มอื่นๆมันก็เกิดขึ้นในขณะที่เรามาเป็นความเพียรอยู่ก็ถูกแรงกระแทกกระทันถูกอารมณ์ถูกปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นมากเราก็ใช้อดุดตันอุดทดนเอา ปัญญาเปนที่เกิดขึ้นมันกัช่วยวินิจฉัยวินิจฉัยเลือกเฟ้นธรรมะเพิ่มขึ้นมาโดยลำรับเพราะจุดเริ่มต้นจึงไม่ไม่ความจําเป็นอะไรที่จะต้องพูดถึงธรรมะมากๆที่จริงธรรมะเขเป็นกระบวนการเขาก็ เ, าเกิดเขาเองพราจุดหนึ่งเกิดมันก็เกิดได้ทํานองคล้ายๆกับแม่เหล็กเนี่ยเรามีแม่เหล็กอยู่กด็ดึงดูดเหล็กต่างๆเข้ามาเป็นพวกตายเอง มันสูตรในแนวของธรรมะภาคปริยัตจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาจำทรงเอาไว้เพื่อรักษาพระพุทธวจนะต่อตานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป